สุวรราจังอะไรยักอยู่สองทองศีโหสินใจก็ต้องบังคับประชากรากดึงกลับมองมาจากถ้ำแล้วสุวรรณาก็ยังขอกลับคืนไปสั่งยักก่อนสองทองศีโหสินใจก็พาคืนไปแต่ยักนอนยังไม่ตื่นถ้าตื่นก็คงจะได้ลบ่ันกับสองทองศีโหสินใจ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 นินวรณ์เราทเหมือนมแมลงจะตีเหมือนลูกอินทรีย์ตังโยต์ต้องสามการมาราคะปคัิคะมานณาติปิัะโยต์ั้งห้าทิฏฐิมานะอะไรต่างๆก็เหมือนกับดาบเอ้มแข็งแล้วถ้าเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เมื่อเราสมาธิก็เหมือนเราได้ยืนที่จะฟันไม้จะขุดดิน เคเดินที่อันมั่นคงก็จะเดินขาเดียวมันลู่โลกศีลก็คือมีดรึกขวานที่มีคมคิบไม่เช่วมีดกลดไปโค่นไม่ส่งต้องนำหนดก่อเพียงกันปัญดาก็คือรู้จักป่าลเทสะเวี่ยงแรงเบี่ยงระหว่างฝันมีดแรงเวี่ยงระหว่างขุดโจก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 ความเศร้ามองเหลยักษ์เมื่อความเศร้าหมองเอกิเเดเขาตีใจแล้วก็ความดีระยะดัยยงยักษ์เนี่ยที่ใดเห็นยักษ์ก็จับตาตาอาวุธทั้งนั้นหน้าตาเขไม่เคยดีเหอนเศร้าหมองให้มียักษ์ตรงไหนจับดอกไม้ทุบเทียนนั้นคนในความโกรธความทุกขความเพียดเชื่องชิงชังมีแต่ไฟบาเบียดเบียน พูดคำสองคำไประชิดจะทําลายล้างอะไรต่างๆถ้าเรามีสตนะิมันก็หยุดไปในมือของมานได้กิเลสมานขันธมานมจุมานเทวุฒิมารสังขารนํางานตายสังขารปรงุปร ง, รงแต่งๆเราก็หลงมันกลายเป็นตัวเป็น ต, น, ตนไปกิตลสสังขารก็หลงในความคิดแต่ที่จะได้ความรู้จากความคิดได้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 มันไม่ลูกไม่นามถ้ามีแต่กาแต่ใจเนี่ยมองไม่ออกดูไปดูไปมันมองไปลแขนได้มันบ่งบอกขั้นตอนเป็นยังไงเพราะันหมอแค่รักษาเชื่อโรคเหมือนนักศึกษาเรียนสูตรเรนมาดีเวลาเข้าสนามสอบผู้ใดมีประสบปรากฏการประสบการณ์ในการผ่าตัดพวกนั้นก็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 สนใจเรืงนี้ก่อนเรื่องอื่นก็จะจะรู้ทีหลังมันเป็นชื้ภูมิที่ดีถ้าเราได้หลักความรู้สึกตัวแล้วมับจะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งต่างๆ ง, ง่าจะมีกิเลสพันห้าตระนาร้อยแปดถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วนะเป็นเรื่องง่ายๆคำพูดบางทีเราก็กลัวบางอย่างสมมติปัญญา ภูเขาท่วงทับเราอะก็เป็นตัวเป็นตนตสมมุติโชคไม่โชอบเอ๊ะไปหมดเลยชีวิตเราบัญญัติเก่งสมมุติเก่งทั้งทั้งที่จริงที่บัญญัติสิ่งที่สมมุติก็ไม่จริงล่มเหลวเหมือนขั้นควายดินสลายสร้างขึ้นอย่างดีปรเดี๋ยวก็พังไปพนสมมุติบัญญัติแล้วเราก็เอาอยู่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 วุ่นวายเลืเกินขัดข้องแล้วเกินร้องออกมาเมืองคนร้องให้เลาะกันบ้านเคยอยู่ก็ไม่น่าอยู่สามีเคยรักก็ไม่รักปัญญาที่เคยรักก็ไม่รักมองอะไรเน่ะเป็นเชื่อเป็ น, นหนามพุ่นวายแล้วเกินขัดข้องแล้วเกินพ่ะเจ้าก็ขานตอกที่นี่ไม่วุ่นวายที่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิด และจกคนโบราณเดินเข้าไปพระเจ้ากกระเทศนาให้ฟังเรื่องอานดูพิกถาให้อาบน้ํอาอ่านบูพิกถามันอาบน้ําหรือซักผ้าให้ร่างกายสะอาจจึงมาแต่งเนื้อแต่งตัวซักผ้สกาสาดแล้วมาย้อมสีต่างๆได้ใจเมืม่อสะอาดแล้วก็จ้อมทาเข้าไป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 ที่ใมีทุกข์ที่นั่นไม่มีทุกข์ที่ใด ม, ม, มีความหลงที่นั่นไม่มีความหลงที่ใดมีความเศร้าหมองที่นั่นไม่มีความเศร้าหมองยอย่าหมดเนื้อหมตัวขณะที่อย่างนั้นเกิดขึ้นหัดมองหัดรู้ปิดแล้วเท่าไหร่สุขเท่าใดทุกข์เท่าไรความสุขความลักความชังเกิดขึ้นเท่าไหร่น่าจะได้บทเรียนมันก็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 คนถามว่าพ่อของฉันเป็นไงแม่จะแข็งเป็นไงเศรษฐีบอกว่ า, ว า, วาลมพัดบ้านพังหักตุท่ทลายไปเลยตั้งพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีก็ถูกบ้านเรือนลมทับตายอยู่ที่นั่นเผาทั้งบ้านเแต่เนี่ยมีควันอยู่อาจจะไปน่ะก็เป็นว่าไปเลยแย่สิ้นแย่ผ้าหรือเ อ, อกนางหนึ่งเลยลูก พอดีก็ได้ลูกเลิกลูกลูกก็ตายไม่สามารถเอาลูกไปถิ้งได้คิดว่าจะาลูกขึ้นได้ตายแล้วก็ขึ้นได้ก็ยอมทิ้งก็เจอเจอง้อลูกหาจขหายาจนถึงไปถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่ามียาอยู่แต่ต้องหาตัวยามาแตเอเม็ดประกาศมาจะทำดาเอาลูกขึ้นให้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 ตางย่าชะทุกหนอทุกหนอวนไหวหนอเนี่ยถ้าไม่มีความทุกเกิดฉัฐธรรมะได้บางทีถ้าเราใช่เป็ น, ปนก็ได้ประโยชน์จากความทุกได้ประโยชน์จากความหลงได้ประโยชน์จากความโกรธเยอแยะอย่าให้เมป็นโทษจากความทุกอยากให้เป็นโทษจากความโกรธเอาประโยชน์มันมีอยู่ความโกรธทําไมเกิดความไม่โกรธ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 ฟังหูไว้หูดูตาให้ดูตาเอาไว้ตาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อตาฟังหูอย่าไปเพิงเชื่อหูได้กลิ่นเรื่นเรื่อรถอย่าเพิ่งเชื่อกลิ่นเนลื่นรถให้เป็นกลางสักหน่อยจะหลงมันจะได้ปัญญาเหมือนคนมาขออยู่วัดเรามาขออยู่วัดไม่ใช่ว่าจะสงสารในความสงสาร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 อวันนี้เขาก็มาขาบเราเรายืนลดน้ําตนม้าอยู่หลวงพ่อผมอยากปวดผม อ, อยากจะบปวดแต่ว่าเลยบอกมื่อยู่วัดนี่ได้เป็นปีแล้วไม่เห็นสวดมนต์ไหวพระไม่เห็นทำกิจสงอะไรเลยอ่าการไปรเชิญข้าวการไปรเชิญน้ํา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 สรรเสริญให้อยู่ก็ไม่ว่าแต่ว่าดูแล้วมันไม่หมวที่บวดออกมันจะเป็นบาทถ้าจะปวดก็ไม่เป็นลักษณะนี้คนเป็นภาพไม่เป็นอย่างนี้อะไรบอกแค่เนี้ย เ, เราถามเราดูเราก็รู้คนยังงเป็นยังไงบางทีไม่เข้ามาอยู่เป็นปีเพียงแต่เราสอบถามดูก็รู้ว่าสมควรหรไม่สมควร บางทีเราก็ปฏิเสธเลยไม่ตา้ต้องพูดเราความถูกต้องนี่เป็นต้นไม่ไมแต่ดูแป๊บเดียวก็รู้ก็มีเหม้าํากันหาบาทหาจีวนให้เลยให้เหมือนกันแล้วเพราอยที่เราเกี่ยวขอ้องเกี่ยวบตัวเรามันมีเกณฑ์ชีวิตในตัวเราเพราะเราเคยเป็นโยมมีเกณฑ์ชีวิต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 บางทีเรามีัตนามากอาจะทำพอดีพอดีก็ได้นี่เหมือนกันสมัยปฏิบัติเกิดปิติมากไม่รู้จากหลับจากนอนไม่รู้ยจากกินข้าวเกิน้ำลายตัวเองก็แซบแซบอิม่มปิติปฏดสัทธิเนี่ยคกอน้ำลายตัวเองอิมอ่มอิ่มเราจะฉันบิน บ, บาบเดินไปกะติ ไกะติอ้อมบาทเดินไปยังไม่ถึงที่นั่งมันวูบอกไปอยากวางบาทอยากนั่งท่างใว่าหต้องอดเอาไว้ต้องอดเอาไว้รอกอ็รอกแเ้วนั่งปป๊บมันเอาเลยจเรื่องอะไรไม่อยากกินข้าวกินน้ำเราไม่อยากกินข้าวกินน้ำมันทำไงถ้าเราไม่กินจริงๆก็ได้อิมออ่มอกอิงใจ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 อาการที่มันชวนแลการที่มันชวนหยุดไว้ก่อนบางทีมันรู้เอาไว้ก่อนอย่เพิ่งไปตามความรู้รู้โน้นรู้รรนี้รู้แล้วก็มันอยากจะพูดก็ไม่พูดก่อนเอาไว้ก่อนบางทีความรู้อะไรพูดไปพูดไปกลายเป็นวิ ป, ปัจโนกลายเป็นวิปลาสไปเลยเป็นกิตยานไป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 จากันลดท่้งปวงมีรถเดียวเท่านี้ไม่ใช่ความสุขเป็นลดอันหนังความทุกข์เป็นลดอันหนังความรักความจาโกรธความโลภความหลงเป็นลดอันหนังความสงบเป็นลดอันหนังความพุ่งสร้างเป็นลดหนังไม่ใช่ควาพงสร้างก็รู้ความสงบก็รู้มันรู้ก็รู้ล่อท่านี่เลยมันจะตรงมันจะด่วน